ก็ความในองคุตการนิกายอิติวุตกะมาขึ้นจตุการนิบาศนะครับแสดงว่าเราเรียนผ่านไป3ามนิบาศคือเอกานิบาศ ท, ทุกานิบาศติการนิบาศนี่ก็มาขึ้นจตุการนิบาศนะครับหมด4ี่ในข้อ280บ ร, รมณสูตรจรึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นผ้าหันรตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นคพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตเป็นพรามผู้ควรด้วยการขอมีมืออันล้างแล้วทุกเมื่อทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเป็นหมอผ่าตัดกิเลสเธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกเกราเกิดแต่ปากเกิดแต่ธรรมะ อันธรรมะเนรมิตแล้วเป็นทายาทแห่งธรรมไม่เป็นทายาทแห่งอมิตรดูกับพิสูนทั้งหลายทานสองอย่างนี้คืออมิตรทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศดูความพิสูน iment, ท์ทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างนี้คือการแจกจ่ายอมิตรหนึ่งการแจกจ่ายธรรมะหนึ่ง บรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศดูกรอนพิสูจนทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอมิตร1การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะ1นึ่งบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายการบูชาสองอย่างนี้การบูชาด้วยอมิตร1การบูชาด้วยธรรมหนึ่ง บรรดาการบูชาสองอย่างนี้การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศนะครับสูตรนี้พระองค์ก็กล่าวถึงตัวพระองค์เองนะว่าเป็นพรามเป็นผู้ควรต่อการขอเป็นคนที่มือมีมือลางแล้วเป็นผู้ที่มีร่างกายในที่สุดหมายว่าร่างกายอันสุดท้ายเหมืนนแล้วก็พระองค์ก็เป็นหมอผ่าตัดกิเลส พันธุภิกษุทั้งหลายที่เป็นอริยาสาวกก็เป็นผู้ที่เนื่องในอกของพระ อ, องค์นะครับเป็นผู้ที่เกิดจากปากเกิดแต่ธรรมะเป็นผู้ที่ธรรมะนิรมิตรเป็นทายาแทแห่งธรรมนะครับไม่เป็นทายาแทแห่งอมิตรก็คือเป็นผู้รับโลกุตระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองส่วนในทานสองอย่างนะครับการแจกจ่ายสองอย่างการอนุเคราะห์สองอย่างการบูชาสองอย่างนี่นะครับก็ อธิบายไปแล้วซะส่วนใหญ่นะครับเช่นธรรมทานเป็นเลิศการแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเนี่ยนะครับเป็นเลิศการบูชาด้วยธรรมะนี้เป็นเลิศนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตถาคตเจ้าผู้ได้บูชาธรรม ผู้ไม่มีความตระหนีผู้มีอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ประเสริฐในเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งพบเช่นนั้นใครก็นอบน้อมพระพุทธเจ้ากันนะเนาะพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การนอบน้อมอยู่แล้วในอัตกถฐานะครับว่าบทว่าอาหางนะครับเป็นบทแสดงถึงอัตตาคือพระองค์นะั่นนะ อธิบายว่าอัตตากล่าวคือสันดานอันเป็นของตนที่เที่ยงแท้ไม่ใช่ของบุคคลอื่นเรียกว่าอาหังนี่ขยายคําว่าอาหังนะอหังนี่เป็นชื่อของอัตตาหมายถึงภายในตัวนะซึ่งไม่ใช่คนอื่นเลยนะที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอะหังนะก็พระศาสดาทรงปฏิ ญ, ญาอยู่ว่าเรามีคือทรงปฏิ ญ, ญาความเป็นพรามโดยประมัด ที่กําลังตรัสถึงว่าอาหางคือเราตถาคตเนี่ยว่ามีอยู่ในพระองค์จึงได้ตรัสว่าเราตถาคตมีนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอัตตานั่นเองนะครับพระองค์พูดหมายถึงตัวของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางเจ้านนะรังเกียจแม้กระทั่งคําเหล่านี้มากมายมหาศาลหนักหนักเข้าวกวับเอานามรูปมีความสงสัยว่าราะวังนั้นมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะครับเขียนจดหมายไปหาโยมเขาก็เขียนว่ารูป ประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือถือถ้าสมัยโบราณเนี่นะครับก็นิยมใช้อยู่แต่สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้คำว่ารูปแล้วนะครับนี่ก็มาใช้คําบางทีก็ก็ฟังแล้วแผลงแผลงยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือไปใช้คําว่าอั น, นะขันห้าเป็นต้นนนะครับซึ่งเป็นภาษาที่รู้กันแต่สมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ใช้ศัพท์ว่าอาหางเหมือนกันนะครับซึ่งมีความหมายว่าอัตตา แต่อัตตาในที่นี้หมายถึงภายในตัวนะครับเช่นอัจฉรตั์เนี่ยนะครับภายในตัวซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนะครับซึ่งหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็มาขยายอีกครั้งนึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะเป็นผู้เสด็จมาอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เสด็จไปอย่างนั้นนะผู้มีธรรมะ อันทองแท้ผู้มีวาจาอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยนะเนื่องจากคุณธรรมทั้งหลายมีอยู่ในพระองค์เนี่ยเลยเรียกรวมๆ ว, ว่าพระตถาคตนะครับและบทว่าเราตถาคตมีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเหมือนอย่างที่ปุตุชนทั้งหลายคือเป็นคําพูดไม่ได้พูดแบบปุตุชนทั่วไปผู้อย่างละอนุสัยคือทิฏฐิและมานะไม่ได้นะครับคือธรรมดาของพวกปุตุชนทั้งหลายนี่นะครับยังมีตันหามานะ ที่ยังไม่ได้ละอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะพูดเบ่งด้วยอํานาจการยึดถือด้วยทิฐิมานะและดูห ม, มิ่นนะว่าเรามีเราเป็นนะครับว่าเรามีเราเป็นนะครับพรหมเป็นมหาพรหมและว่าเราเนี่ยประเสริฐกว่านะครับอันนี้คือลักษณะของคําพูดที่พูดด้วยอํานาจของทิฐิและมานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีมานะอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่พูดลักษณะว่าที่ใช้คําว่าเราหรือของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับก็หมายถึง บอกว่าภายในนะครับไม่ใช่คนอื่นนะซึ่งไม้ภายในพระองค์นะครับซึ่งพระองค์อันที่จริงแล้วถ้าจำแนกออกไปแล้วพระองค์ก็คือขันห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เข้าใจผิดด้วยอานาจตันหามานะทิฐิอย่างใดว่าอัตตามีโดยประมาทอะไรก็ไม่ได้สาคัญแบบนั้นอะไรแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละทิฏฐานุัยและมา น, านุัยได้แล้วโดยประการทั้งปวง ไม่ทรงแล่นเลยสมัญญาไม่ล่วงเลยคาที่เขาพูดพูดกันนะนะทรงยังธรรมะให้ปฏิสถานอยู่ในสันดานของเวนยสัตว์โดยไม่ขัดขวางกับสมัญญาของโลกนะครับโลกเขาใช้คอยังไงเขาสื่อความหมายอย่างไรก็ไม่ขัดกับถ้อยคำทั้งหลายที่เขาใช้กันในโลกทรงปฏิญญาว่าคุณเช่นนั้นมีอยู่ในพระองค์อย่างครบถ้วนจึงตรัสว่าเราตถาคตมีนะครับ บทว่ารามโนมีความว่าเชื่อว่าพรามเพราะลอยบาปแล้วและเพราะพูดถึงพระพรหมก็นายพระดำรัดนี้มีอธิบายดังนี้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเราเป็นพรามโดยประมัิเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งการสมาทานวัดมีทานและสัญญะเป็นต้น ซึ่งบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงด้วยการประพฤตบะไม่มีเหลือทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วด้วยดีทีเดียวทรงถึงที่สุดแห่งพระเวททั้งหมดทรงมีวิชาและจรณะบริสุทธิ์ดีแล้วทรงล้างมนทินคือบาปได้โดยประการทั้งปวงตรัสถึงคือตรัสบอกพระพรหมกล่าวคืออริยมรรคอันยอดเยี่ยมและทรงประกาศศาสนาพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ดีแล้ว ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยประมัดเพราะทรงลอยบาปได้แล้วโดยประการทั้งปวงและเพราะตรัสถึงคือตรัสบอกพระพรหมแก่ผู้อื่นนะครับนะว่าพระองค์นี้เป็นพราหมณ์โดยประมัดนะครับคือเป็นพราหมณ์โดยสภาวะที่แน่นอนคือเพราะว่าพระองค์นี้มีการสมาทานวัดมีทานสัญญะเป็นต้นโดยบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวง แล้วก็ประพฤติตะบะโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับคือหมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงบําเพ็ญบารมีอย่างอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการสมาทานวัดที่พระองค์ทรงประพฤติเมื่อประพฤติแล้วพระองค์ก็อยู่จนจบพรหมจรรย์นะครับจบพรหมจรรย์ในที่นี้คืออยู่จนได้บรรลุอริยมรรคมะหมายคือว่าประพฤติวัดอั น, นั้นจนได้บรรลุอรหัตตมรรคว่างั้น ก็เลยถึงที่สุดแห่งพระเวทคือหมายคำว่าเวทนี้หมายถึงแทงตลอดอริยสัย์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงมีวิชาสมวิชา8ทรงมีจารณะ15ที่บริสุทธ์ดีแล้วนะครับไม่ว่าวจะมีวิปัสสนาญาณมีมนโนมยิทธิรู้วาราจิตของผู้อื่นนะครับปราจิตตาวิชามีตาทิพมีหูทิพแลลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายทาอาสวะกิเลส ท, ทั้งหลายให้หมด นะครับหรือพระองค์เป็นผู้มีศีลมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคริยานุโยคเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เป็นวิชาและจารณะที่บริสุทธิ์วิชาและจารณะเหล่านี้เนี่นะครับเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยล้างมลทินคือบาปโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่มีบาปอยู่ในจิตในใจอีกแล้วนะครับพระองค์ไม่มีโลภโทสะโมหะแม้แต่หน่อยหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอาศัยอะไรครับมาล้างอาศัยอริยมรรคเนี่ยนะครับล้าง ล้างบาปได้หมดเลยนะฮันตะบาและพรหมจรรย์โดยเฉพาะมพรคมจรรย์นี่นะครับไม่ใช่น้ำแต่ก็สามารถชาระชะล้างบาปได้ทั้งหมดนี่นะครับบาปเหล่านั้นเลยไม่มีอีกต่อไปนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศความเป็นพรามอันยอดเยี่ยมของพระองค์ในโลกกับทั้งเทวโลกอย่างนี้แล้วเพื่อจะทรงแสดงว่ากรรมหกนะครับมีทานเป็นต้น ที่พราหมยญาติไว้สําหรับพราหม์ซึ่งบริสุทธิ์ดีมีอยู่ในพระองค์อย่างอุกฤษนะครับคือถ้าเป็นพราหมณ์ของสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีมือล้างล้างแล้วเนี่ยนะครับที่อธิบายว่ายาจโยโคเป็นต้นนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาจโยโคได้แก่ทรงประกอบด้วยภาวะที่ควรแก่ผู้ขอนะครับควรขอนะครับถ้าใครจะขอไปขอพระองค์แล้วไม่ผิดหวัง ชนเหล่าใดขอเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่ายาจะยาจะแปล ว, ว่าผู้ขอนะสั์นี้มั้งมาเป็นยาจบนะเขคือพวกผู้ขอทั้งหลายแหละก็ในที่นี้ผู้ขอเหล่านั้นเพิ่งทราบว่าได้แก่เวนยสัตว์นะครับหมายถึงพวกเวนยทั้งหลายพุทธเวนัยะนะอธิบายว่าผู้ขอเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอให้ทรงแสดงธรรมว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสแสดงธรรมะเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงสแสดงธรรมะเถิดนี่เรียกว่าผู้ขอไปขอธรรมะนั่นเองนะครับอย่างเช่นพรหมใช่ไหมครับพระพรหมนี่ก็ไปไปขออาตนาให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมเป็นผู้รายแรกนะครับทนพระองค์นี่เป็นผู้ควรแก่การขอก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทำการริดรอนความปรารถนาของผู้ขอเหล่านั้น แสดงธรรมะตามความพอใจของผู้ขอทรงประทานพระธรรมทานด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าทรงมีความเหมาะสมแก่ผู้ขอพระองค์ไม่ทรงเหินห่างจากผู้ขอเหล่านั้นในการทุกเมื่อคือตลอดเวล า, าหมายถ้าหากว่าเวนยศาสตร์ทั้งหลายไปขอธรรมะจากพระองค์พระองค์ก็จะให้ธรรมะนั้นตามสมควรแก่ผู้ขอ คำว่าตามสมควรก็คือตามอุปนิสัยตามวาสนาบารมีของผู้ขอนะผู้ขอควรจะได้รับเท่าไหร่พระองค์ก็จะแจกจ่ายให้เท่านั้นนะครับและพระองค์ก็ไม่เหินห่างจากผู้ขอทั้งหลายเหล่านี้เลยนะครับแม้กระทั่งในเวลาที่พระองค์ทรงจะใกล้ดับขันปณิณญพานสุภัต t h ก็ยังไปขออีกนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่ผู้ขออย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่ง บทว่ายาจะโยโคได้แก่เป็นผู้ควรแก่การขออธิบายว่าพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรที่จะขอเพราะพระองค์นี้ทรงสนองความต้องการของผู้ขอได้นะครับคือสา ม, มารถให้เขาได้นะครับไปขอใครแล้วให้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าสมควรแกการขอใช่ไหมครับแต่ว่าไปขอแล้วได้สมความปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นบทว่า ยาชโยโคนั้นมีอธิบายว่ามหาทานชื่อว่ายาชะอธิบายว่าการบูชาในที่นี้พึงทราบว่าได้แก่ธรรมทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบในทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชโยโคผู้ประกอบในทานทานหมายถึงธรรมทานนะนะบทว่าสตาแปลว่าในการทุกเมื่ออธิบายว่าทรงมีวัดที่จะพึงอนุศนถึง และทรงมีพระสัสว ร, รมเป็นมหาทานนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ที่โปรโยปลายมหาทานจริงๆแล้วก็ทานที่พระองค์ทรงให้นั้นก็พระไตรปิฎกนี่แหละครับถ้าสมัยนี้นะเป็นมรดกที่พระองค์ให้เอาไว้จนถึงเป็นสมบัติตกทอดมาจนถึงรุ่นเราทั้งหลายนะครับอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยยาชะคือทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชโยคะ อธิบายว่าทรงประกอบสัตว์ทั้งหลายด้วยยาชะกล่าวคือทานสามอย่างตามสมควรคือทรงประกอบสัตว์ไว้ในทานนั้นทานก็คือธรรมทานเป็นต้นนั่นเองนะครับบทว่าปะยะตะปานิได้แก่พระองค์ทรงมีพระพระหัตบริสุทธิ์อธิบายว่าบุคคลใดน้อมไปในทาน เมื่อจะให้อามิสทานย่อมเป็นผู้ล้างมือในการทุกเมื่อทีเดียวเพื่อให้ทายธรรมโดยเคารพด้วยมือของตนบุคคลนั้นชื่อว่าปะยาะตะปานิผู้ล้างมือแล้วนะครับเพราะคนจะให้อะไรก็ต้องล้างมือก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละพระ อ, องค์นี้ล้างมือสะอาดตลอดนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงน้อมไปในธรรมทานทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานตลอดการทุกเมือ่อโดยเคารพ เพราะเหตุดังว่ามานี้ท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างมือแล้วนะครับแต่ก็พระองค์นี้เป็นเป็นผู้ให้ธรรมทานแต่ว่าธรรมทานที่พระองค์ให้นี่นะครับพระองค์ให้ด้วยความเคารพนะครับพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะแสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพจริงๆนะครับบทว่าสตาคือพึงประกอบเข้ากับบทว่าปะยาตตาปานินี้ด้วยบทว่าสตาปะยะตะปานิความว่า ก็พระศาสดาทรงยังการให้พระสัธวรรมให้เป็นไปแก่สัตว์โลกผู้เป็นเวไนในกาละทุกเมื่อคือทุกเวลาโดยไม่แบ่งแยกชื่อว่าทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานนั้นอยู่ ก็ไม่แบ่งว่าเออผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์เป็นสูตรนะักธักษัตริย์ชั้นจะเทศมากน้อยถ้าเป็นพรามก็ลดลงไปอีกถ้าเป็นสูตรเป็นเนสัตเป็นนายพรานทั้งหลายก็จะให้นิดนิดหน่อยหน่อยก็พอเนี่ยพระองค์ไม่ทรงแบ่งแยกเลยนะครับเขามีอัธยาศัยที่จะรู้พระธรรมเทศนาด้วยพระธรรมหมวดใดพระองค์ก็แสดงนั้นตามสมควรนะครับอีกในหนึ่งภาวนาชื่อว่าโยคะคําว่าภาวนานะครับโยคะนี่หมายถึงภาวนานะ เหมือนอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทนะครับตรัสกับพระโพธิละนะว่าปัญญาย่อมเกิดจากโยคะคือเกิดจากการประกอบปัญญาย่อมไม่เกิดเพราะไม่ประกอบนะครับบุคคลเมื่อรู้ทางสองแพ่งแล้วก็พึงประกอบเพื่อที่จะให้ให้ปัญญานี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโยคะนี่แปลว่าภาวนาภาวนาในที่นี้เป็นชื่อของปัญญานะครับเป็นปัญญาภาวนาคือทําปัญญาให้เจริญขึ้นนะครับ เพราะเหตุ น, นั้นในบทว่ายาชโยโคจึงเมียที่บายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งยาชะภาวนาคือบริจาคภาวนานะครับเจริญด้วยการให้นะครับจึงอยู่ในการก่อนแต่การตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เป็นพระโพธิสัตว์อันพระกรุณากระตุ้นแล้วทรงเพิ่มภูนทานโดยไม่มีส่วนเหลือ ทรงบำเพ็ญบารมีถึงขั้นอุกฤษในทานนั้นแล้วบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงเพิ่มภูนทานสมอย่างนะครับประทานพระธรรมทานโดยพิเศษนะครับคือไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอภัยทานนะครับแล้วก็ธรรมทานเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ให้ทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งยังทรงแนะนําผู้อื่นไว้ในธรรมทานนั้นด้วยนะครับ จริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานคุณทรัพย์ตามความประสงค์แก่ผู้ขอที่เป็นเวนยสัตว์ให้เป็นธรรมทานซึ่งแยกเป็นโลกี้ทรัพย์และโล ก, กุตระทรัพย์เป็นต้นอย่างนี้คือนะครับบางคนพระองค์ก็ประทานให้ถึงสารณะสามนะครับนะให้เขาถึงไตรสารณคมนี้ก็ได้บุญเยอะแล้วนะครับหรือว่าบางคนพระองค์ก็ทรงประทานให้ศีห5านะครับแนะนำให้สมาทานศีลด้วย บางคนก็ทรงให้ประทานให้สมาทานศีลสิบ น, นะครับอย่างเช่นสัมณาเนนทั้งหลายเป็นต้นนะครับบางคนก็ทรงประทานปาริสุทธีศีลสีให้นะครับคือหมายถึงพระองค์ก็ให้เขาได้จตุปาริสุทธีศีลคือได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับบางคนก็ทรงประทานทุตธรรมให้บวชมาแล้วจตุปราริสุธีศีลดีสมาทานทุดงด้วยนะบางคนก็ทรงประทานฌานสีให้ บางคนก็ได้ถึงสมาบัติ8ดเลยนะบางคนก็ประทานอภินยาห้าอริยมรกสี่สามัญญผลสี่วิชาสามปฏิสัมพิทาสีให้คือได้เป็นพารหันทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ดูในเทรกิกถาเทรีทรทรรกถฐานะว่าเขาทั้งหลายเนี่ยได้อภินยาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ พิญญาหปฏิสัมพิทาสีวิโมกษแปสมาบัตแ8นี่นะครับสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ประทานให้ไม่แสดงธรรมเขาจะได้สมบัติเหล่านั้นได้อย่างไรและทรงแนะนําบุคคลอื่นว่าท่านทั้งหลายจงให้ชื่อว่าทรงเพิ่มพูนบริจาคภาวนาคือในขณะเดียวกันเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงแนะนําผู้อื่นให้ให้ธรรมทานแบบนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้านะพระองค์จะแนะนำให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยให้ทำทานด้วยด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งบริจาคภาวนานะครับโดยเฉพาะทรรมทานนี่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปะยะตะปานิได้แก่มีพระหัตแบออกแล้วนะคะรับแบะมือแบให้นะไม่ใช่แบเอา ไม่ใช่แบ่ขอนะแบ่ให้นะนะอธิบายว่าทรงประกอบขวนขวายในการให้พระสัตธรรมไม่ทำกรรมมือนแห่งอาจารย์คือไม่หวงอ่ะนะเหมือนบุคคลผู้แบ่มือออกเพื่อจะให้อะไรอะไรที่มีอยู่ในมือพร้อมทั้งพูดว่าเชิญมารับเอาเทิดนะครับเอาของวางในมือแล้วเลือกเอาเลยนะเนี่ยนะ เพราะว่าไม่มีในกรรมมืออาจารย์เลยครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีห่วงแหนนะครับไม่มีแอบซ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีนะครับให้ก็ให้ให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์สมบูรณ์ให้ถ้าพ้นทุกข์ได้ก็ให้ไปทันทีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปะยาะตะปานิได้แก่มีพระหัตตอาหารอธิบายว่าทรงกระทําความอาจหารในการทรงประทานพระธรรมเหมือนบุคคลผู้มีความอาจหารเพื่อจะให้อมิสถานฉะนั้น คนที่มีใจดีเนี่ยนะครับที่ยื่นให้ น, นะข้าวของมีอะไรก็ให้คนอื่นได้โดยที่กล้าอกล้าให้นะพระ อ, องค์ก็มีธรรมะนี่ให้นะครับธรรมะที่ให้ก็คือเมื่อให้แล้วเขาก็ได้รับสารณะคมศีลหศีลสิ 5, ส 10, จตุปาริสุทธิศีลหรือธุดงฌานสีสมาบัตร8ดพิญญาห้าเรียมักเสียเรียผลสีวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่นะครับทีนี้ของเรารับอะไรได้บ้างครับสารณะก็ได้แล้ว ปาที่สุที่ศีลสีนี้รับบริบุณ์หะครับรับมาเต็มล้นหลามล้นเหลือรับมาหมดนะครับแต่เอามาใช้ได้ไม่หมดนะครับรับหมดเลยนะทั้งปไตยพดกเลยนะครับรับทั้งตู้เลยนะครับบทว่าอันติเมทะหาโธความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไว้ซึ่งอัตภาพครั้งสุดท้ายนะร่างกายนี่เหลือครั้งสุดท้ายแลยนะ้วเนาะเพราะ ธรรมะทั้งหลายที่ทําให้เป็นพราหมณ์บริบูรณ์ด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อธิบายว่าสําหรับบุคคลผู้ยังไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ยังจะพึงมีคติที่มีสมัญญาว่าต่ําต้อยเป็นต้นนะคือหมายความว่ายังทําไม่เสร็จสิ้นอ่ะนะยังประพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ก็ยังเป็นคนต่ําต้อยอยู่เพราะละธรรมะทั้งหลายที่ทําให้เป็นคนต่ําต้อยยังไม่ได้คือ ยังจะเพึงมีการนอนในคันต่อไปนะก็ยังตกต่ำอยู่นะครับยังไปนอนในครันอยู่นะยังไปนอนในครันไม่รู้จากคันสู่คันจากคันหนึ่งไปสู่อีกครันหนึ่งนะครับออกจากครันแล้วก็ต้องดื่มนมต่อไปอีกนะครับก็อยู่อย่างนี้แหละครับชีวิตจะไปตกอยู่ในคันใครอีกนาะนะครับเออนะพอคิดคิดถึงเรื่องในคันเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอเราจะไปต้องไปอยู่ในครันของอีกบางคนนะครับ เออผมมีความรู้สึกนะเคยมีความรู้สึกเออเราเนี่ยเหมือนจะไปอยู่ในครันของคนบางคนอีกต่อไปนะครับผมเสียว ว, วบูบเงี้ยเฮ้ยนะในม้วนเลยนะครั บ, คครบก็คงจะน่าจะช่วยกันเลืกไปบ่อยเวลาโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเนี่ยนี่ก็ได้ได้สติตอนนั้นก็โอ้ <c oughs> เหตุปัจจัยมีแล้วนะครับเออแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะม เราอ่ะผมนี่เคยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะต้องไปอยู่ในครันของผู้หญิงบางคนนะครับว่าอีกแล้วต้องไปกินน้ําครัมอีกแล้ววงั้นเหรอนีต้องไปกินน้ําครัมไปกินอุจจาระปัสสวะของตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยว่ า, างั้นก็อยู่ในครันเนี่ยนะครับอาหารมันก็เหมือนกับอะไรนะมันก็รีไซเคิลกินใหม่ตลอดนะครับมันก็ระบบหมุนเวียนอยู่ในร่างกายนั่นแหละครับอันนอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหต้องไปอยู่อย่างนี้อีกแล้วเลยบานครั้งหนึ่งไปบินทบาทนะครับ ได้ยินเสียงเด็กมันร้องอ่ะนะเด็กคลอดใหม่ๆร้องเนี่ยแแวมานี่เรานี่ว้าบเลยอุ้ยอีกแล้วเลยเนี่ยถ้าไปเกิดในครันอีกก็ต้องออกมาร้องอย่างงี้อีกแล้วออกมาเป็นแบบนี้อนะไม่รู้จะได้เท่านี้หรือเปล่าน่าจะหนักกว่านี้นะเพราะว่าเหตุที่ไม่ค่อยดีก็ทําเอาไ ว, ดวา้ด้วยดิใครก็หนี้นเนี่นะครับมายุคหน้าไม่รู้พระไทรปิดกเขายังพิมพ์ให้อ่านหรือเปล่าไม่รู้ถึงมีก็ไม่รู้จะมีเวลาอ่านหรือเปล่าเอาเถอะนะครับ มีเวลาอ่านหรือเปล่าก็คิดดูนะถ้านี่แลดีนะมาอยู่กับอาจานย์สมชายยังมีเวลาอ่านพระไตรปิฎกแล้นงนะั้นถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็พาก่อสร้างกุฏิเนี่ยตีตะปูพงเคร่งโครงเคร่ง เ, คงเนี่ยนะครับแบกปูนหามอิฐหามทรายเหนียวโยมนี่มลไม่น่ น, น, นที่มานี่ที่พระไตรวิฎกกลมมาได้อ่านนะครับบทนานพรรษาก็เยอะขึ้นความรู้ก่อใหม่มีอะไรก่อใหม่ได้ซากอย่างนะครับโลกีก็อดโลกุดก็ไม่ได้ขาดทุกอย่างนะครับ น, นักเข้าก็นอนดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวนะครับมันเซ็งอ่ะมันเครียด ห, หาทางออกนะครับแก้กัดแก้กลุ่มไปวันนึงก็จะเหมือนอันนี้หรือเปล่าพอกั น, น <c oughs> เหมือนกับไปไม้ที่ไฟไหม้ทั้งสองข้างแล้วตรงกลางเปื้อนคูดครับจะเหมือนท่อนฟืนเผาผีนั่นแหละครับหัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจจระสุนัขด้วยนะครับเออผมผมอ่าน เราอ่านในเทระคถาเนาะผมผมอ่านเมื่อไหร่ผมก็ประทับใจนะว่าการได้เข้ามาพบพระพุทธเจ้าของเราไม่ไร้ผลเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเพราะการอ่านนั่นน่าประทับใจครับดีนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ล่วงเลยนะครับอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเลยนะเพราะขณะเหล่านี้ถ้าผ่านเลยไปก็ยัดเยียดอยู่ในนรกนะครับถ้ากลับมานอนในคันอีกก็ถ้าเทียบกับอบายก็ดีกว่าเยอะนะครับ ที่ภาษารีบุตรถามชานุโสนีพราวะนรกกับเดรฉานอันไหนดีกว่าเออเดรฉานก็ดีกว่าถ้าเดรฉานกับเปรตไหนดีกว่าบอกเปรตดีกว่าพระรับส่วนบุญได้ใช่ไหมครับอาเปรตกับมนุษย์อันไหนดีกว่ามนุษย์ดีกว่าถ้าเทียบกับเปรตนะมนุษย์ก็ดีกว่านะครับคำถามสำมเนรรูปหนึ่งมาสำมเนรถ้ามาเกิดอีกเอาไหมก็บอกก็ดีกว่าตกนรกเขาว่าไงอ๋อเอาเอาก็ถูกครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับ แต่ว่าแตะรู้งี้ไม่ถามจะดีกว่านะครับเพราะว่าเท่าเดิมนะครับฉลาดเท่าเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับมาเจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นสนามค้าบุญนะครับแต่ว่ากลับมาแล้วก็ไปมาแล้ทุนเท่าเดิมนี่นะครับเอาแล้วบาปที่ทําไว้ในระหว่างไปเก็บไว้ไหนละครนี้นะั้นทํามาเกิดยุคหน้านี่ลำบากนะครับ ผมเนี่ยไม่สนับสนุนส่งเสริมใครเลยมาเกิดยุคหน้าเนี่ยนะครับหนีไปได้ก่อนหนีไปให้ไกลๆเจอว่างั้นนะครับเพราะว่ายุคหน้านี่มันยุคยาเสพติดมันระบาดมากนะครับยุคต่อๆไปเนี่ยนะศีลธรรมจะเสื่อมเสียพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ค่อยมีศีลมีธรรมมากนักนะครับปอ า, า, า, าหารก็จะอยู่ยากประกอบอาชีพก็จะอยู่ยากทำมาหากินเพราะฉะนั้นผู้ที่จะถือบาตรเที่ยวบินทบาทก็อยู่ไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ยากนะครับ้ วัดทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับบินฑบาตก็พออิ่มมื้อเช้ากลางวันก็ต้องหาผักหาหุงข้าวต้มแกงนะครับช่วยเหลือกันไปเพราะฉะนั้นก็สมัยนี้ก็มีแล้วนะครับถ้าไปเป็นยุคหน้าก็ลําบากกว่า น, นี้เยอะนะครับปัทําให้เรียบควนขวายศึกษาพระธรรมคำําสอนไว้ในช่วงนี้ให้เพียงพอนี่นะดีนะว่าสมัยนี้บ้านเมืองไม่มีสงครามไม่มีอะไรนะครับยังขนาดนี้นะแต่มีปัญหาสงครามข้าอด น, นะฝนมันแรง นะครับแค่ปัญหาทุกวันน้ําท่วมเป็นต้นนี่ก็สร้างความเสียหายอย่างอื่นไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรถ้าแรงเนี่ยหนักกว่า น, นี้อีกหลายสิบเท่านะครับต่อไปถ้าฝนแรงเข้าสงครามมีขึ้นคนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็สงครามสมัยใหม่นี่ก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนใช้มีดใช้ดาบสมัยนี้กดปุ่มอย่างเดียว น, นะครับประเทศทั้งประเทศเนี่ยยุบไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุคต่อต่อไปนี่อันตรายมากคนมีกิเลสนะครับเพราะฉะนั้นคนพาลทั้งหลายความคิดก็น่ากลัว คำพูดก็น่ากลัวนะครับพฤติกรรมทุกอย่างก็น่ากลัวทั้งนั้นลัทธิมิจฉาทิถีก็ระบาดเต็มทั่วโลกไปหมดนะครับพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าอนุตโรพิสโกสารกัตโตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นะครับชื่อว่าเป็นนายแพทย์ผู้ยอดเยี่ยมเพราะทรงเยียวยาโรคคือวัตถุกที่เยียวยาโดยยากได้ นะวัตตะโดยเฉพาะกรรมวัตกิเล ส, สวัตวิปากวัตนี่นะครับเป็นสิ่งที่เยียวยายากมากเพราะว่าสรรพภาษาทั้งหลายดําเนินไปในสังสารวัฏแบบนี้พระพุทธเจ้าเยียวยาอันนี้ได้นะครับด้วยเยียวยาคือการละกิเลสก่อนนะครับละกิเลสก็ตัดกรรมเมื่อตัดกรรมวิบากก็จะไม่ได้รับต่อไปพระ อ, องค์นี่เยียวยาโรคอันนี้ได้นะครับด้วยยาของพระ อ, องค์คือ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั้นก็คือเป็นการประมวลประพฤติปฏิบัติตามพระไตรวิฎกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นนะครับบริสุทธิ์บริบูรณ์อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เกิดแล้วก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารกรรมที่ทําก็ไม่มีผลต่อไปนะครับวิบากก็ไม่เกิดก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ พระองค์นี้เชื่อว่าเป็นศาลยแพทย์นะครับผู้ยอดเยี่ยมศารยาแพทย์ก็คือหมอผ่าตัดนะครับเพราะว่าตัดคือถอนขึ้นโดยเด็ดขาดซึ่งลูกศรลูกศรคือราคาลูกศรคือโทสะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตและก็กิเลส ท, ทั้งปวงนะครับที่คนอื่นยังถอนไม่ขึ้นนะพระองค์นี้ถอนให้หมดเลยนะครับพระองค์ถอนลูกศรเหล่านั้นให้ภาษารีตรพระโมกขาลานะพระอนนทพระมหากระสปะพระัญญโกณธัญะ กลุ่มพระวัดปะพัทยามหาณามอ่อาซ chi เนี่ยนะครับพระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครที่รักษาหายนี่ก็พระองค์เนี่ยผ่าให้หมดนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสการทำบุคคลเหล่าอื่นให้เป็นพราหมณ์ได้โดยทรงปฏิสถานธรรมะทั้งหลายที่ทำให้เป็นพราหมณ์ได้โดยตรงนะครับซึ่งประฏิสถานอยู่แล้วในพระองค์เอาไว้ในสันตติบุคคลอื่นด้วยคำว่าอนุตตรภิสโกสละ พัตโตพระองค์ก็เป็นพราหมณ์โดยโดยพระองค์เองแล้วนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทําผู้อื่นให้เป็นพราหมณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูได้ในพราหมนวัตคคาถาธรรมบทนะครับกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพราหมณ์ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยนั้นนะครับ